เพราะฉะนั้นผู้ที่เจริญอ น, นิจจานุปัสสนาอย่างนี้ถ้าบรรลุอริยมรรคอริยมรรคของเขาชื่อว่าอานิมิตตาวิโมกมุกนะเอาแบบชั้นสูงสุดเลยนะนี่แสดงว่าคนนั้นมากไปด้วยศีลย่อมเป็นอันประกาศอปปนิหิตาวิโมกมุกด้วยสมาธิสมาธิคืออปปนิหิตาวิโมกย่อมเป็นอันประกาศสุญญตาวิโมกด้วยปัญญา อปะนิหิตะคือสมาธิสุญญติด้วยปัญญาก็บอกว่าก็ผู้ที่อาศัยสมาธิสมบัติอันเป็นเครื่องออกไปจากกรรมซึ่งมีอโลพาเป็นประธานมีปกติเห็นโทษในกรรมทั้งหลายทุกขานุปัสสนาย่อมสำเร็จได้โดยง่ายนะก็บอกว่าคนที่เห็นโทษในกรรมมากๆเจริญสมาธิเนี่ยนะพวกนี้จเจริญทุกขานุปัสสนา และทุกขานุปัสสนาก็เป็นอปปนิหิตะวิโมกมุกเพราะฉะนั้นคนที่เจริญสมาธิเนี่ยคนนั้นต้องเป็นอโลพาเจริญทุกขานุปัสสนาเขาจะได้อปปนิหิตะวิโมกทีนี้ต่อไปว่าอนัตตานุปัสสนาก็ก็เป็น อนัตตานุปัสนาอาศัยปัญญาสมบัติย่อมสำเร็จได้โดยง่ายทีเดียวและอนัตตานุปัสนาก็เป็นสุญญตวิโมกมกุเห็นไหปัญญาคนที่มีปัญญาเท่ากับกุศโลมูลนั้นต้องเป็นอโมหะวิปัสนาของเขาเป็นอนัตตานุปัสนาบัรลุวิโมกเรียกว่าสุญญะวิโมกน สรุปอีกครั้งนะศีลเป็นกุศลมูลคืออโทสะวิปั ส, สนาของเขาเป็นอนิจจานุปั ส, สนาวิโมกมุกของเขาเรียกว่าอานิมิตตวิโมกสมาธินี้กุศลมูลของเขาเป็นอโลภะวิปั ส, สนาของเขาประเภททุกขานุปัสนา วิโมกมุกของเขาเรียกว่าอปปนิหิตาวิโมกส่วนปัญญานั้นเป็นอมโมหะนะปุสลมูลเขาเป็นอมโมหะวิปั ส, สนาของเขาเป็นอนัตตานุปั ส, สนาแล้วก็บรุอริยมรึกเรียกว่าสุญเตาวิโมกเนี่ยนะอนิพานอันนั้นก็เลยเรียกเชื่อว่าสุญเตาวิโมกด้วยก็ได้ธรรมมรก ถ้ ม, มักเรียกสุญญาตาวิโมกเนี่ยนะนิพานก็เรียกว่าสุญญาตาเหมือนกันอานิพานเนี่ยบางชื่อเขาเรียกว่าอนิมิตะใช่ไหมอปะนิหิตะและสุญญาตาคือดีนะนิพานเนี่ยเรียกเป็นสามก็ได้นิพานนับหนึ่งก็ได้นะสันติลักขณังมีความสงบจากขันเป็นต้นเป็นลักษณะนะจะเรียกสองก็ได้นะสะัุปาที่เสสานิพานและอนุปาที่เสศานิพานเรียกสามก็ได้ เรียกว่าอาอนิมิตะอ ป, ปนิหิตะและก็สุญญตะทีนี้นัยยะต่อไปนะคือเรื่องอินซีเพรา ง, งั้นอินรีย์ที่เป็นอริยะนี้มีเท่าไหร่อินซีย์ที่เป็นอริยะมีสามอย่างคือ1อนัญญาตัญยัตสามีตินรียเชื่อก็ยากนะ ทำไมนะอนัญญาตัญยัตสามีตินซีนะถ้าหากว่า อ, อินรีที่สองเาเรียกว่าอันยินรีอันยินรีอินรีที่สามเรียกว่าอัญญาตาวินรี อันหนึ่งย่อมทรงประกาศอะนัญญาตัญยัตสามีตินซีด้วยศีลนะคำว่าอะนัญญาตัญยัตสามีตินซีนี้เป็นชื่อของโซดาปฏิมักนะโสดาปฏิมักอีกชื่อหนึ่งเรียกว่าอะนัญญาตัญยัตสามีตินซีอินทรีย์จริงๆแล้วมีทั้งหมดเท่าไหร่22องนะเอาใหม่ก่อนนะ ย้อนมาถอยเรื่องอินซีย์22ิหน่อยนะแมพเอายอดของอินทรีย์มาพูดเลยนะในอินรีย์22นั้นเอา6ข้อข้อแรกก่อนน ะ, ะถ้านับเป็นกลุ่มกลุ่มยีไม่ยากที่แรกเลยนะตาหูจมูกลิ้นกายใจหกอินทรีย์ทันทีเลยนะตาเรียกว่าจักรคุณซีหูเรียกว่าโสตินรีจมูกเรียกว่าคารินรียลิ้นเรียกว่าชิวหินรียกายเรียกว่า กายินซีเจิตเรียกว่ามันินซีอินซีหกน ะ, ะทีนี้เอาเรื่องเพศเข้ามาได้สองอเรียกว่าอิดถินซีและปุริสินซีอินซีคือความเป็นชายกับเป็นหญิงทีนี้อินรีเหล่านี้จะดำรงอยู่ได้ก็อาศัยชีวิตนะชีวิตอินรีอีกกลุ่มหนึ่งนะ แล้วก็เมื่ออินทรีย์เหล่านี้เกิดขึ้นอินทรีย์เหล่านี้ต้องเสวยเขาว่าไงอินทรีย์ที่เสวยมี5อินทรีย์อินทรีย์บางอย่างได้รับเสวยสุขเขาเรียกว่าสุขขินรียอาศัยกายกระทบบางอย่างก็ทําให้เกิดทุกขินรียอารมณ์หน้าปรารถนาหน้าพอใจก็โสมนัสสินซีอารมณ์ไม่น่าปรารถนาโทมนัตสินซีก็เกิดขึ้น แล้วก็อารมณ์ธรรมดาทั่วไปก็เป็นอุเบกขินรีเพราะฉะนั้นอินรีย์เป็นที่เสวยเนี่ยนะมีอยู่5้าอย่างคือสุขขินรีทุกขินซีโสมนัสสินรียโทมนัสสินรียและอุเบกขินซีอินรีห้าเวทนาเนี่ยนะนับห้าเรียกว่าโดยอินรีย์เพทาในเพธานี่ยเราจาแนกกันะหรือประเภทประเภทแห่งอินทรีห้าเวทนาเลยนับห้า แล้วก็อินรีเป็นข้อปฏิบัติอีก5นะถ้าหากว่าใครที่เห็นโทษของอินรีทั้งหมดมาเนี่ยนะต้องปฏิบัติด้วยอินรีย์5จึงจะพ้นเรียกว่าใช้อินรีขาดอินรีก็อินรีที่เป็นข้อปฏิบัติมี5้านะ 1. สัตทินรีมีมีความเป็นใหญ่เป็นผู้ปกครองคือศรัทธา 2. วิริยินรีส์3สตินรีสีสมาทินรีและห้า ปัญญินทรีนีห้าอย่างนี้เป็นอินรีย์ที่เป็นข้อปฏิบัติเนี่ยนะเพื่อความพ้นจากอินทรีย์เหล่านั้นอ่าแล้วก็มีอินทรีย์ที่เป็นผลของการปฏิบัติอีกสอินทรีย์อ่านีย์ที่เป็นผลของการปฏิบัติสอินทรีย์นั้นก็คืออนัญญาตัญยัสมีตินทรีย์ผลของการปฏิบัติที่เจริญินทรีห้าระดับแรกเรียกว่าโสดาปฏิมักอ่านะ อนัญญาตัญยาัสามีตินีเนี่ยโสดาปฏิมรน์นี่สำเร็จด้วยศีลนะประกาศด้วยศีลเพราะว่าอนัญญาตัญยาัสามีตินีนั้นเป็นอินทรีย์ของพระอริยบุคคลที่8ดผู้กระทำให้บริบูรณ์ในศีลทั้งหลายาพระอริยบุคคลที่8เนี่ยพระอรหันต์นับหนึ่งะพระอรหันต์เนี่ยนับหนึ่งผู้ที่ปฏิบัติเพื่ออรหัตเพื่อความเป็นพระอรหันต์เนี่ยนับสอง เราเคยนับโสดาบันขึ้นไปใช่ไหมอันนี้ลองนับทวนดูมั้งอนุโลมปฏิโลมเอาพระโสดาบันเนี่ยนับเอาอารหันนับหนึ่งอันนี้นับแตดถ้ามร์เนี่ยนับตั้งแต่โสดาปฏิมร์เป็นต้นไปไปหาสุดท้ายนะมันบางทีก็นับแตกต่างกันนะบางทีเอาหัวไปท้ายมั้งเอาท้ายไปหัวมั้งงั้นเราก็พยายามสังเกตทั้งอนุโลมและปฏิโลม เขาบอกว่าถ้าหากว่าศึกษาปฏิจจสมุปบาทนี่เขามีวิธีการศึกษาเหมือนคนตัดหวายเขาว่ากันหรือว่าวิธีแสแดงปฏิจจสมุปบาทของพระผู้มีพระภาคเหมือนตัดหวายคำว่าตัดหวายนี่ตัดยังไงก็คือคนบางคนเนี่ยนะไปเห็นหวายปั๊บก็ตัดที่โคนแล้วสาวสาวสาวสาวสาวไปจนถึงยอดอนี่วิธีหนึ่งอีกวิธีหนึ่งไปเห็นยอดแล้วก็จับสาวสาวสาวไปหาโคนแล้วก็ตัดบางคนเนี่ยนะไปเห็นตรงกลางเลยก็ตัดแล้วก็สาวไปหายอด บางคนเห็นตรงกลางแล้วก็ตัดสาวไปหาปลายพระผู้มีพระภาคเจ้า ก, ก็จะแสดงปฏิจจสมุปบาทในลักษณะนั้นทั้ง4ี่วิธีพระองค์แสดงหมดเลยะนะก็เหมือนกับพูดถึงถนนสักสายหนึ่งอ่านะบางคนเนี่ยก็บอกว่าถนนเส้นนี้จากไหนถึงไหนอ่านะจากเรียกว่าจากโคนไปหาปลายบางคนก็จากปลายไปหาโคนบางคนก็จากกลางไปหาหัวหาท้ายก็ลักษณะนี้ธัมมะแต่ละหมวดนั้น ความเข้าใจอันนี้เราควรมีในอินทรีย์เนี่ยนะทั้งทั้งหมดเนี่ยอนัญญาตัญญสามีตินรีเนี่ยนะผู้ที่มีอินทรีย์นี้เรียกว่าพระอริยบุคคลที่ที่แปดได้แก่โสดาปฏิมักนั่นเองอปัญญาเจตสิกที่เกิดในโสดาปฏิมัก อ, อันนี้สำเร็จด้วยสีนั้ น, นะ เพราะว่าความเป็นพระโสดาบันนั้นสาเร็จด้วยศีลอยู่แล้วใช่ทีนี้ต่อไปนะย่อมประกาศอัญญียีด้วยสมาธิเพราะอัญญียีนั้นเป็นอินทรีย์ของพระอนาคามีผู้ทำให้บริบูรณ์ในสมาธินะอันนี้พูดอย่างอุกฤษนะแล้วก็ต่อไปอินทรีย์สุดท้ายนะเป็นอินทรีย์ของผู้ตั้งอยู่ในมรรคอันเลิศ ย่อมประกาศอัญญาตาวินสีด้วยปัญญาอัญญาตาวินสีนั้นได้แก่ปัญญาที่เกิดร่วมกับอรหัตผลอรหัตผ ล, ลจิตนะปัญญาอนนั้นเรียกว่าัญญาตาวินสีเท่ากับพระองค์ประกาศด้วยปัญญาเพราะพผ้ารหัตทั้งหลายจะทําให้บริบูรณ์ในปัญญาได้ก็เพราะอัญญาตาวินสีนั้นเกิดขึ้นแลอันนี้ก็ประกาศธรรมะหมวดสามเพิ่มเติมอีก4ี่กลุ่มนะ กลุ่มแรกเรียกว่าวิเวกสามกายวิเวกจิตวิเวกและอุปทิวิเวกศีล ส, สมาธิปัญญาก็ไปเรียงกับวิเวกเหล่านั้นโดยลำดับอ้าวปัญญินรีนั้ น, เ, นนะเป็นอินรีข้อปฏิบัติไงอินซีห้าถ้าปัญญินรีก็เรียก อ, อยู่ในกลุ่มอินซีฮะผลทั้งนั้นเลยครับอันนี้เป็นฝ่ายเป็นมรรคผลลจิตทั้งนั้นเลยอ๋อไม่ปัญญินซีบางตัวเกิดร่วมกับโสดาปฏิมร์นะ ปัญญีนีอันแรกเรียกว่าอนัญญาตัญยัสมีตินรียได้แก่ปัญญาที่เกิดร่วมกับโสดาปฏิมักส่วนอินรียที่สองเรียกว่าอัญยินทรียนั้นได้แก่ปัญญาที่เกิดร่วมกับโสดาปฏิผลจนถึงอรหัตตมักอันนี้เขาเรียกว่าอัญยินรียส่วนปัญญาที่เกิดร่วมกับอรหัตผลปัญญา น, นั้นเรียกว่าอญญาตาวินรีย ปัญญานี่นะโอ้โหโดยอินทรีย์เนี่ยเรียกได้ห้าอินทรีย์สีอินทรีย์นะปัญญินทรีย์หนึ่งอนัญญาตัญยสมีตินทรีย์หนึ่งอัญญินทรีย์หนึ่งอนาตาวินทรีย์หนึ่งะพระพุทธเจ้านี่ฉลาดนะรกอันเดียวเนี่ยเรียกชื่อได้แต่ว่าคือปัญญาเหมือนกันแต่ว่าความสามารถของปัญญาไม่เท่ากันนะปัญญาที่เกิดร่วมกับทานกนะุศลก็เรียกว่าปัญญินทรีย์ ปัญญาที่เกิดร่วมกับสมถะก็เรียกว่าปัญญินีปัญญาที่เกิดร่วมกับวิปัสนาก็เรียกปัญญินีแต่ถ้าปัญญาที่เกิดร่วมกับโสดาปฏิมาเรียกว่าอนัญญาตัญยัสมีตินีย่านะถ้าปัญญาเกิดร่วมกับโสดาปฏิผลเรียกว่าอัญยินีเป็นต้นเรียกว่าอินเซียนนี้แทงตลอดอริยสั์ที่เคยแทงตลอดแล้ว ถ้าอนัญญาตัญยศามีตินีนั้นเป็นอินทรีย์ที่แทงตลอดอริยสัจ ท, ที่ไม่เคยแทงตลอดมา ก, ก่อนส่วนอินทรีย์หลังจากนั้นเรียกว่าอินทรีย์ที่แทงตลอดอริยสัจแล้วส่วนอินทรีย์สุดท้ายเนี่ยนะอัญญาตาวินทรีย์เนี่ยเรียกว่าจบกิจแล้วว่า ง, งั้นเป็นอะเสขาธรรมะก็โซดาปฏิมอารหัตมักยังเรียกเสขาธรรมายังศึกษาอยู่เลยโซดาปฏิพลก็อะเสขาธรรมะเลิกศึกษาเรื่องอริยสัจนะนะ เลิกศึกษาเลิกเจริญศีลสมาธิปัญญาอีกแล้วว่างั้นเพื่อเจริญให้อรหัตมะเกิดไม่ต้องและจบแล้วนะแต่ถามว่าท่านยังเจริญวิปัสสนาไหมเจริญถ้าไม่เจริญท่านจะเข้าพร ะ, ะสมมาบัติได้อย่างไรนะท่านก็จะต้องเจริญวิปัสสนาถ้าท่านประสงค์จะเข้าพร ะ, ะสมมาบัติท่านต้องเจริญสมถะกับวิปัสสนาสลับกันถ้าท่านประสงค์จะเข้านิโรธสมมาบัตินะ ก็บอกว่าอันหนึ่งพึงประกาศคุณที่เป็นหมวดสามเห็นปานนี้อื่นด้วยศีลเป็นต้นในยะนี้อีกหาอะไรเพิ่มเติมอีกก็ได้นะหมวดสามเนี่ยนะใครมีความสา ม, มารถกว่าคนๆขอกมาเอาตามอัตกถาดีกาเนี่มาอ่ะสิบสามก็พอละนะธรรมะหมวดสามหมวดสามที่เป็นคุณที่ดีๆนะวันนี้ขึ้นศีลเลยเนาะ เห็นประโยชน์ของศีลหรือยังถ้าเจริญศีลเนี่ยทาให้ได้อะไรบ้างเอาสรุปมาอีกครั้งหนึ่งศีลอันนี้เป็นอธิศีลศีขาศีล น, นี่เนี่ยเป็นความงามแห่งปฏิบัติศาสนาในเบื้องต้นเลยนะศีลเนี่ยนะเป็นความงามแห่งปฏิบัติศาสนาในเบื้องต้นศีลเนี่ยเป็นอุปนิสัยแห่งคุณวิเศษคือวิชา 3. สามศีลเนี่ย เป็นการเว้นจากกามสุข ข, ล, ข, ขลิกานุโยคศีนเนี่ยเป็นอุบาย9้าล่วงอบาย4ศีนนี่ละกิเลสเนี่ยน ะ, ะโดยอาการสามเนี่ยนะศีเนี่ยละกิเลสโดยตะทางฆ่ประหารศีนเนี่ยเป็นปฏิปกักษ์ต่อวติกมะกิเลสนะศีน ชำระสังกิเลตคือทุจริตศีนเนี่ยเป็นเหตุแห่งความเป็นพระอริยบุคคลคือพระโสดาบันศีนเนี่ยเป็นกายวิเวกศีนนี้เป็นกุศลมูลคืออโทสะศีนเป็นวิโมกมุก ค, คืออนิมิตวิโมกมุกศีนเป็นเป็นอะไร อ, อนัญญาตัญญัสามีตินีก็วิสุทธิมัทนีนะแม้ทรงแสดงไว้ด้วยศีลสมาธิและปัญญาเป็นสําคัญแล้วก็ศีลสมาธิปัญญาก็สงเคราะห์เอาคุณเป็นอเนกคุณเป็นอเนกคืออะไรก็คือคุณเป็นอเนกที่กล่าวไปแล้วในหน้าที่ผ่านมาคือในหน้า19เนี่ยนะ คูณของศีลสมาธิปัญญาเนี่ยกล่าวเป็นอเนกอย่างที่กล่าวไปแล้วนั่นแหละเพราะฉะนั้นจึงไม่เพียงพอเก็อบอกว่าแต่ก็ยังจัดว่าทรงแสดงไว้โดยสังเขยิ่ยงนักนันเองนะสรุปแล้วนะสีเลปฏิทายานโรสปัญโยจิตตังปัญญาจะภาวยังอาตาปีนิปะโกพิขุเนี่ยนะโสอิมังวิชาตเยชาตังเนี่ยโอ้ย่อเกินไปนะย่อยิ่งนัก เขาบอกว่าเพราะฉะนั้นจึงไม่เพียงพอเพื่ออุปการะแก่ชนทั้งหลายทั้งปวงก็คืออุปการะอย่าประเภทบุคคลประเภทเดียวคือบุคคลที่จะตรัสรู้รรมีกี่อย่างหงอุคติตันยู 2. วิปปัญจิตันยู 3. ามนยะบุคคลบุคคลที่กล่าวเฉพาะหัวข้อแล้วบรรลุมรคนิพพานเรียกว่าอุคติตันยูเหมือนดอกบัวที่พ้ น, น้า พอได้รับแสงอาทิตย์เท่านั้นแหละบานทันทีว่างั้นให้นัยยะให้หัวข้อพอบรรลุเลยแต่ถ้าหากว่าเป็นวิประเภทวิปจจวปจจิตันยูเนี่ยนะ้าระยะบุคคลประเภทนีนะที่จะบรรลุนั้นนะจะต้องแสดงแบบพิสดารพอสมควรขยายแล้วอะ่ะจึงจะบรรลุได้ส่วนประเภทนัยยะบุคคลเนี่ยนะฟังฟังนี่ต้องพิสดาร น, นะสสาธยาย สามเทศสี่ตรึกเอามานู้เอาจนเกือบตายนี่แหละจึงมรรู้นี่แหละเขาเรียกว่านัยยะบุคคลคำว่า ง, งานพวกปรัสรู้ยากก็บัวมันอยู่กลางๆน้ามันต้องเร่งปุ๋ยหน้าดูเลยนะกว่าจะพ้นน้ำมารับแสงอาทิตย์ได้บางงาน